ร่างกายไม่ว่าของตนเองและของผู้อื่นต่างก็เต็มไปด้วยความทุกข์ดังนี้ก็เป็นวิปั ส, สนากายาคตานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่เมื่อได้พิจารณาไปแล้วก็จะเห็นความสุขกรบกโศโครกของร่างกายจนรู้แจ้งเห็นจริงว่าไม่น่ารักไม่น่าใคร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 ที่ยิงด้วยรูปโฉมและเป็นพระมเหสีองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารแห่งเมืองราชครึก็ได้บรรลุพระอรหันต์ในทํานองเดียวกันนี้เอง